นั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนึงนงภาวนาสบายๆ ย, ยังไม่พอยังไม่ถึงไปเจ็บกับปวดไม่ถึงกับเจ็บกับปวด บางคนก็ยังล่องลอยจิตลอยบนหาจุดที่จะเกาะแม้แต่พยายามพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ยากเหมือนกันนะบนหาที่จะลงไม่เจอมันไม่ง่ายเลยจิตถ้าจิตที่เคยฝึกมาแล้วมันก็สะดวก กนหมดคืบกับมันก็เข้าที่มันก็พอสะดวกสบายแต่ยังไม่เคยเลยเนะี่ยเพราะว่าตลอดระยะเวลา10บชั่วโมง20ชั่วโมงเนะี่ยจิตมันว่อนกับโรกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับเรื่องกับราวสารพัดจนมันชิน เวลาจับไม้มันอยู่มันโอ้กว่ามันจะรวมลงมาที่เดียว ม, มันลำบากจากคนฝึกกับคนไม่ฝึกมันจึงต่างกันการฝึกนั้นจะทำให้ชำนาญเรื่อยๆการได้ยินได้ฟังประกอบ เป็นเหตุให้เราเข้าใจเหมือนเหมือนอย่างที่เราฟังอยู่อยู่นี่แหละฟังอยู่นั่นแหล ะ, ะฟังไม่หมดไม่สิ้นไม่จบวันนี้ก็ฟังพู ง, ง, นน ง, งนี้ก็ฟังคนนั้นก็ฟังองค์นั้นก็ฟังองค์นี้ก็ฟังฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแต่ก็สำคัญที่ น้อมมาเพื่อปฏิบัตินี่แหละสําคัญที่สุดถ้าเราไม่น้อมมามันไม่เข้างานเพราะงานมันอยู่ที่การน้อมมาเนี่ยน้อมมาที่ใจของเราพูดถึงสงบให้เขาสงบเฉยๆเขาสงบไม่ได้ต้องงานต้องทํางานต้องมีงานให้เขาทําพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นงาน เ น, นพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์อารมณะอารมณะอารมณ์ภาษาบาลีอารมณ์ภาษาไทยอารมณะภาษาบาลีอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันไปรู้สิ่งที่จิตไปเกี่ยว ต้องไปผูกพันเขาเรียกว่าอารมณ์เอาพุโทโธเป็นอารมณ์เป็นนิมิตเป็นหมายเป็นเครื่องกําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ไม่ใช่พุโทโธแต่ปากเฉยๆนะพุโทโธประกอบไปด้วยรวมพลังแห่งผู้รู้ทั้งหมดมาอยู่เรียกับคําว่าพุโทโธสติ กันใช้คำว่ า, าสติสติความระลึกระลึกรู้สตินี้เป็นเครื่องมือสตินี้เป็นอุปการะธรรมตั้งแต่ธรรมะพื้นพื้ น, นไปจนถึงธรรมะสูงสุดนุ่นวิมุตติพระนิพานสติมีอุปการะสูงสุด สติก็เกิดจากจิตสติเกิดที่จิตสติเกิดจากจิตสติเป็นอาการของจิตเดี๋ยวเราไปคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งพผลเข้ามาเป็นอีกตัวหนึ่งโลเข้ามาให้เรากำหนดหมายว่าผู้รู้ตัวเดียวนี่แหละแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราโลกนี้ปรากฏกับเราเพราะมีผู้รู้มีจิต จิตคือผู้รู้จิตคือท่ารู้เอาผู้รู้ของเราไปเกาะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ทำผู้รู้ให้ตื่นโโรอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธความชัดที่สุดของผู้รู้ของเรานั่นแหละคือสติสติคือความระลึกรู้ ช่วงที่ระลึกรู้ช่วงนั้นนั่นแหละมันเป็นช่วงที่ชัดที่สุดในจิตของเราเนี่ยนั่นร่ที่สุดอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธุทโธอารมณ์เดียวเต็มร้อยร้อยเปอร์เซแต่ถ้า ห, าหา้าสิบมันไม่ชัดห0อร์ซไม่ชัดอาจจะ ถูกยืแยงไปกับอารมณ์นั้น5 0ามาอยู่กับคําพุโทโธห้0มันไม่ชัดไม่ชัดมันไม่ชัดถ้าเป็นไฟร้อยแรงเทียนนี่มันก็สว่างแค่50แรงเทียนเห็นไหมมันลดความสว่างไปมากเท่าไหร่ภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าถูกอารมณ์อื่นดึงไปครึ่งหนึ่งมันก็เหลือครึ่งหนึ่ง ที่จะอยู่กับคาว่าพุทโธมันไม่ชัดจิตจะสงบก็ไม่ได้เพราะมันมันถูกพลังอันหนึ่งดึงเข้าไปอยู่กับชัดกับอารมณ์อันเดียวก็ไม่ได้มันแยกออกไปเป็นสองนะไม่มีกำลังไม่มีพลังมีความสำคัญอยู่ให้พยายามศึกษาการฝึกฝนก า, การอบรมการศึกษานี่ไปด้วยกันโอเคนี่ก่อน เราทําตามปกติธรรมดาไม่ได้ต้องบังคับถ้าเขาชินแล้วเราไม่ต้องบังคับแต่ถ้ายังไม่ชินกับความสงบเนี่ยต้องบังคับการสํารวมนั่นแหละมันเป็นการบังคับขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติธรรมน่ะเป็นการสํารวมการสํารวมนั่นแหละมันเป็นการบังคับ สัมรวมเข้ามาสั่รวมเข้ามาสั่มรวมเข้ามาเหมือนอย่างจิตมันกระสานสั้นเซนออกไปมันคิดกระจายออกไปเนี่ยอ่ามันไม่รวมท่านจึงให้สั่รวมเข้ามาสั่มรวมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาสั่มรวมเข้ามาการสั่รวมนั่นแหละมันเป็นการบังคับพอมันหลุดไปแล้วก็ดึงเข้ามามหลุดไปแล้วก็ดึงเข้ามาบางทีเรามีอารมณ์ข้างค้างอยู่ข้างนอก อารมณ์ใดที่มันรุนแรงที่สุดจิตมันมักจะไปเกาะอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ผ่านหูผ่านตาเรามาสดสร้อนร้อนเนี่ยอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงที่สุดจิตมันก็ไปเกาะอยู่กับนั้นแหละเราต้องการให้มันมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยดึงมันให้มันดึงให้มันมาเขาเผลอปักมันก็วิ่งไปกับอารมณ์ที่มันเกาะค้างมันจิต อารมณ์ใดมันตึงตราจิตที่สุดอ่ะอารมณ์นั้นแหะจิตมันมักจะไปเกาะเพราะฉะนั้นจะต้องดึงเข้ามาจะต้องสํารวมเข้ามาจะต้องบังคับเข้ามามันหลุดเข้าไปดึงเข้ามามันหลุดเข้าไปดึงเข้ามามันหลุดเข้าไปดึงเข้ามาท่านเปรียบท่านเปรียบเหมือนว่าสติเปรียบเหมือนเชือกเอาเชือกมามัดจิตหลักหรือต่อ ต่อที่สลับผูกอีกข้างหนึ่งก็คืออารมณ์พุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาสติเป็นเชือกผูกจิตนะให้จิตมันอยู่กับต่อนี้อารมณ์นี้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นหลักหรือเป็นต่อเอาสตินี่เราควรมาศึกษาเรื่องสติคำว่ า, าสตินี่เราควรศึกษา เราควรรขครควนไตรตรองวิจารณ์วิจัยคาว่าสติคืออะไรกิริยาอาการยังไงเวลาสติแน่นหนามันคงคืออะไรเป็นยังไงอยู่ยังไงสำรวจตรวจตราเข้ามาสตินี้เป็นอาการของจิตนะเกิดขึ้นจากจิตภาษาอภิธรรมถ้าเรียกว่าโสภณะโสภณะโสภณเจตสิก ภาษาพิธมามที่เรียกว่าเจตสิเกเจตสิกอารมณ์ที่เกิดกับจิตที่เรียกว่าโสภณะเจตสิกโสภณะแปลว่าเจตสิกที่งามสติสัมปชัญญะนี่มาจะต้องมาด้ยวยกันกาหนดสติปับ๊บสัมปชัญญะต้องมาพร้อมสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว ความรู้ตัวตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวประคองพุทโธพุทโธสติดำริจิตนั่นแหละเป็นผู้ดำริแต่ว่าสตินะีมันเป็นตัวทํางานดำริพุทโธพุทโธพุทโธวิสัมปชัญญะคือความรู้ตัวประคองมันเป็นวิจาร ท, ทีทะเลาวิตกวิจารณ์ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วประคองพุทโธแล้วประคองพุทธโธแล้วประคองประคองไปเรื่อยๆไม่ให้มันขาดไม่ให้มันขาดช่วงให้ความรู้สึกข้างในมันยืดไม่ขาดดําริอีกแล้วก็ไม่ขาดดําริอีกแล้วก็ไม่ขาดไม่ใช่ขาดกระต่อนกระแท่นแล้วก็ไปพุทธโธอีกไม่ใช่ พุทโทพุทโทพุโทพโทมันให้มันต่อเนื่องไปเลยไม่ให้มันขาดมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันขาดช่วงข้างในไอ้ตรงที่มันขาดช่วงตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่จิตมันเล็ดเล็ดลอดออกไปตรงที่มันขาดช่วงนั้นจิตมันเล็ดลอดออกไปอะไรขาดสติมันขาดมันขาดช่วง คือความชัดเจนของสตินะมันจะขานไปมันจะลดลงไปมันจะจางลงไปเหมือนอย่างที่เปรียบให้ฟังเมื่อกี้นึ่จากห้าสิเซหรือห้าจากร้อเหรือห้มันกจ็จางไปแล้วแหละถ้าเป็นภาพเป็นอะไรก็มองไม่ชัดแล้วถ้าเป็นรูปเป็นอะไรที่เราดูก็ดูไม่ชัดแล้วแหละจิตมันไม่อยู่ เพราะมันไม่อยู่เต็มร้อยความรู้สึกไม่เต็มร้อยสติไม่เต็มร้อยความชัดเจนไม่เต็มร้อยความสว่างไม่เต็มร้อยมัวมัวไม่สงบมันมัวมัวคลิมเคลิ้มัวมัวแต่ถ้าสงบชัดเจนแล้วมันรูมันตื่นมันรูมันชัดมันเป็นหนึ่งเดียว <c oughs> ต้องฝึกนะต้องฝึกถึงจะสงบเมื่อสงบแล้วนะมีคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติของใจใจเราจะดีจะเลิศจะประเสริฐอยู่ที่การฝึกนี่แหละจะดีจะเลิศจะประเสริฐอยู่ที่การมีสติอยู่ที่การดํารงสตินั่นแหละจิตจะมีสมาธิดีจิตก็จะต้องมีสติดีนะ ปัญญาเราจะดีก็ต้องมีสมาธิดีสมาธิจะดีก็จะต้องมีสติดีสติเกื้อกูลตั้งแต่สินตั้งแต่สมาธิจนถึงขั้นปัญญาจนถึงขั้นวิมุตตจนถึงขั้นหลุดขั้นพ้นไปพระอริยเจ้าเนี่ยท่านมีสติสมบูรณ์ท่เรียกว่าสติวิปุละสติวิปุละสติสมบูรณ์เป็นสติโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมาตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มไม่ต้องเพราะท่านฝึกมาจนเต็มพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วสติวิปุละสติวิปุละนี่เราพูดถึงสติพื้นๆที่เรามาเจริญให้จิตได้รับความสงบทีนี้มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมหาสติมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนี่ท่านให้ เอาสติมากำกับกายมากำกับเวทนามากำกับจิตมากำกับธรร ม, มอันนี้มหาสติมหาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงอนิสงค์ของมหาสติปัฏฐานาสามารถมีคุณธรรมเจ็ดวันเจเดือนเจดปี จงได้คุณธรรมไม่ได้เป็นพระอรหันต <c oughs> ์ก็ต้องเป็นพระอนาคาไม่ได้เป็นพระอนาคาได้ได้เป็นพระสะกิทาคาไม่ได้เป็นพระสะกิทาคาก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยการเจริญสติเจริญสติทุกอิริยาบถ ท, ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนกายานุปัจนาสติปัฐานเวทนานุปัจนาสติปทาน จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่สายป่าที่ครูบาอาจารย์เราสอนเนี่ยก่อนที่เราจะมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ท่านจะให้เอาสติมากำกับให้สงบซะก่อนให้เป็นสติ ใ ห, ให้เป็นสมาธิสมาธิอันนี้หมายความว่าเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิหัวต่อเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะทำงานงานที่จะทำต่อไปก็คือไปพิจารณากายตามกาหนดกายตามกาหนดกายพิจารณากายตามกำหนดเวทนาพิจารณาเวทนาตามกำหนดจิตพิจารณาจิตตามกำหนดธรรมพิจารณาธรรม อันนั้นคือจิตที่มีสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วถึงเอาไปทำงานเหล่านั้นถึงจะได้รับความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นบางคนมักจะเอาหลักอันนี้แหละมาอ้างว่าเฮ้ยสมถะสมถะสมถะเ ส, สียเวลาเสียเวลาอ่ากลัวกวจิตจะสงบแล้วกลัวจะเสียเวลาเสร็จแล้วก็ไปเจริญมหาสตินั่นแหละ เดินหรือไม่กั น, นั่งพองนอยยุบนอพองนอยยุบนอก็ถือว่าเป็นมหาสติก็ถูกแล้วก็ถูกต้องอยู่แล้วเดินก้าวนอขวายย่างนอซ้ายย่างนอก็ถูกแล้วเป็นมหาสติแต่จิตมันไม่ได้รับความสงบเป็นหลักเป็นฐานมันไม่มีหลัก มันไม่มีไม่ไม่มีหลักมันไม่มีสมถะภายในจิตมันไม่มีความสงบภายในจิตเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปกําหนดไปกําหนดไปมันก็พาเราเพล่อไปอย่างอื่นแล้วกําหนดไปกําหนดไปมันก็พาเราไปอย่างอื่นแล้วกําหนดเดินไปเดินไปกับพาคิดไปอย่างอื่นแล้วบริกรรมพองหนอยหุบหนอไปก็ไปอย่างอื่นแล้ว หรือไม่มาพิจารณากายของเราเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็พาไปอย่างอื่นไปนแล้วเพราะจิตมันไม่อิ่มจิตมันยังหิวอยู่แต่ถ้าจิตอิ่มจิตมีความสงบเหมือนกับจิตที่มีพลังจิตอิ่มอาหารจิตมีพลังจิตอิ่มอิ่มอารมณ์มันไม่หิวอารมณ์ละมันไม่อยากนึกอยากคิดอย่างอื่นและ้ะจับให้มาททำงานอะไรมันก็ทำนี่ครูบาอาจารย์ ท่านสอนแบบนี้เรามาพิพจารณาดูผู้ที่ท่านทำแล้วมีเหตุมีผลเป็นที่ปรากฏชัดโดยเฉพาะท่านพยายามเน้นหลวงปูเ่เสาหลวงตาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านพยายามเน้นสมรรถนวะิปัสสนานะอา้าวเวลาเจริญสมรถะเอาจริงจังให้กิตได้รับความสงบเข้าไปพอสงบแนบแน่นมั่นคงขยับตัวถอยเข้ามาท่านจึงให้มาพิจรารณา เราจะพิจารณาแบบไหนก็ตามมันยังอยู่ในกรอบของหมหาสตินั่นแหละมันยังอยู่ในกรอบของการพริจารณากายมันยังอยู่ในกรอบของการพริจารณาเวทนามันยังอยู่ในกรอบของการพิจารณาจิตหรือมันยังอยู่ในกรอบของการพริจารณาธรรมจะพิจารณาไปยังไงก็ตามมันไม่พ้นจากกรอบเหล่านี้ไปได้อยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของหมหาสติปัฏฐานนี้แหละ เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเราเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาที่เราพูดถึงนี้มันเป็นงานงานนี้เป็นมัชถ้าเราจะจัดเข้าในในอริยสัจสี่คือมัชที่เราพูดถึงสมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นมัชเป็นงานเป็นงานเป็นงานที่เราทํา หเราทําให้ให้สงบสองเอาจิตที่สงบนํามาพิจารณาบางทีเราก็งงกันเหลือเกินจะพิจารณาอย่างไงจะพิจารณาอย่างไงการพิจารณาที่จะให้เข้าหลักจะต้องพิจารณาตามหลักมหาสตินี่แหลอะอย่างเราตามกําหนดพิจารณากายกําหนดพิจารณากายกําหนดได้หลายอย่างพิจารณาได้หลายอย่างเราจะมาไล่เป็นพร้อม เป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยนี่ก็เกิดพิจารณากายรามากาหนดธาตุดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่ก็พิจารณากายลักษณะของการกาหนดนั่นก็กำหนดให้เห็นว่าเหตุปัจจัยของกายคืออะไรเป็นอะไรที่มาของกายเป็นยังไง การตั้งอยู่ของกายเป็นยังไงความเป็นไฟของกายเป็นยังไงนี่คือการให้การให้กำหนดพิจารณาคลี่คลายแต่การที่เราจะมากำหนดกายก็ตามเราทำงานเหล่านี้ไปมันก็มีเวทนามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็มีจิตมาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งอ่ามันมีจิตมาเกี่ยวข้องด้วยมันมีธรรมมาเกี่ยวข้องด้วย เห็นไหมมันจะตะล่อมมาเป็นอันเดียวกันหมดจะตะล่อมมาเป็นอันเดียวกันหมดเราก็หมดพิจ า, ารณาเวทนานั่นแหละคือความสุขคือความทุกข์ความเจ็บความปวดนั่นะมันก็เกี่ยวมันก็เกี่ยวกับกายด้วยเห็นไหมมันก็เกี่ยวกับเวทนาด้วยมันก็เกี่ยวกับจิตด้วยเพราะจิตเป็นผู้ทำงานมันก็เกี่ยวกับธรรมด้วยสติธรรมปัญญาธรรมเหนไหมมันเกี่ยวข้องกันไปหมด เพราะฉะนั้นเวลเราทําไปแล้วนี่งานเหล่านี้มันจะเป็นเวลามันทํางานหมุนไปจริงจังมันเป็นมรคสมังคีนี่คืองานการประสานกันของงานอ่าเราจะพิจารกายเวลาทํางานไปแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันนี่แต่ถ้าหากเราจะมาแยกเราจะมาแยกเป็นขันตั้งห้าก็ได้เป็นรูปไหมอ่ามีรูป มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณทำงานอยู่ด้วยกันเราจะมาแยกว่าเป็นมหสติปัฏฐานไหมเป็นกายก็ใช่เป็นเวทนาก็ใช่เป็นจิตก็ใช่เป็นธรรมก็ใช่อยู่ด้วยกันเวลาเราจะมาแยกว่าเป็นอริยรสัจ4ี่ไหมเป็นทุกข์ก็ใช่เป็นสมุทัยก็ใช่รู้เห็นเข้าใจบ้างมากน้อย เป็นนิโรธก็ใช่ในขณะที่เราทำหมุนกันอยู่นั้นเป็นมรรคก็ใช่งานทั้งหมดนีมันจะตล่อมเข้ามาเป็นอันเดียวกันหมดในขณะที่เราทาสติก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นตล่อมอยู่ในนั้นทั้งหมดอันนี้คือการทำงานแต่การทำงานเหล่านี้ที่จะเป็นหลักจริงๆท่านให้สงบซะก่อนเมื่อสงบแล้วก็พิจารณา ถ้าไม่สงบมันหมายความากเหมือนกับคนไม่มีกำลังเหมือนกับคนไม่มีกำลังเหมือนกับคนไม่มีแรงเวลาไปทำงานไม่ค่อยได้ผลเหมือนกับไฟเราไม่ค่อยสว่างนั่นแหละจะไปส่องดูอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนจิตเราไม่สงบจิตเราไม่นิ่งเหมือนกับไฟเราไม่สว่างหรือถ้าจะเป็นมีดเรเหมือนกับมีดเราไม่คมมีดมันทู่ ถ้าจะเทียบว่าความสว่างคือมันไม่ค่อยสว่างจะส่องดูอะไรก็ไม่ชัดจะฟันอะไรก็ไม่ขาดมันไม่คมเพราะะนะสมาธิหมุนปัญญาจะทําให้ปัญญาแก่กล้าจะทําให้เห็นสัจธรรมชัดเจนแจ่มแจ้งแท้ที่จริงความรู้ความเห็นเหล่านี้มันจะปนเปื้อนไปด้วยกิเลส นี่พอเราพูดมาถึงกิเลสมันก็เกี่ยวข้องกับสมุทยัยทุกสมุทยัยกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นขัน5ขันหเป็นตัวทุกขันห้าในเป็นทุกนะสมุทยัยคือตัณหาการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่สมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิต มันแทรกเข้ามาว่าเป็นกายเราเป็นเวทนาเราเป็นสัญญาเราเป็นสังขารเราเป็นวิญญาณเรานอกจากเป็นเราแล้วก็เป็นของของเราแล้วก็ตะล่อมเข้ามาหมดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากตัวนี้เกิดขึ้นจากตรงนี้ทิฏฐิมรณะเกิดขึ้นจากตัวนี้ตรงนี้ความโลภเกิดขึ้นจากตัวนี้ตรงนี้ ความอิจฉาดิษยาพยาบาทเกิดขึ้นจากตรงนี้จองล้างจองผลาญฆ่ากันแกงกันรบราฆ่าฟันกันเกิดขึ้นจากตรงนี้สาเหตุต้นต่อการตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจตามหลักที่อธิบายให้ฟังนี้ เริ่มต้นจากการกำหนดจดจอ่อกับสิ่งเดียวกับเรื่องเดียวจะเป็นสมถะก็ตามจะเป็นวิปัสสนาก็ตามจะเป็นการทำให้จิตสงบก็ตามจะเป็นการพิจรารณาเกิดปัญญาก็ตามย้อนปั๊บเข้ามาที่จิตของเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิรยาบดก็ตามย้อนปั๊บเข้ามาที่จิตของเราย้อนมากำกับที่จิตของเรา จะพิจารณาในแง่ปัญญาก็ตามไม่ห่างเหินไปจากจิตดวงนี้ย้อนมาที่จิตของเรายืดไปพิจารณาอะไรต่อต่ออะไรก็ตามเนะ่ยย้อนเข้ามาที่จิตของเรายืดไปดูไปกําหนดจดจ่อไปพิจารณาอะไรก็ตามเนะ่ะย้อนเข้ามาที่จิตของเราอยู่อย่างนี้ถือว่าไม่ห่างจากจิตกาหนดจดจ่ออยู่กับจิต มีการสัมรวมระมัดระวังอยู่ที่จิตให้มันรู้เฉพาะจิตรออยู่เฉพาะจิตสงบอยู่เฉพาะจิตมีความรอบรู้อยู่เฉพาะจิตมันจึงจะไม่ห่างเหินมันจึงจะไม่สับสนถ้าหากเราทิ้งจิตเราจะเคว้งควางสมมติเราทิ้งจิตปั๊บไปดูรูปดูรูดูไปดูมาอ้าวเวทนาดูไปดูมาอ้าวสัญญา โผลเข้ามาอ้าวอันนู้นโผลเข้ามาอ้าวอันนี้โลเข้ามาแน่ลืมย้อนมาดูจิตถ้าเราย้อนมาดูจิตจะไม่สับสนไปเจออารมณ์ที่ไม่ดีเจออารมณ์ที่น่ากลัวเจออารมณ์ที่จะเป็นเหตุรุนแรงให้เกิดความกำาเริบย้อนเป้าเข้ามาที่จิตบางทีสมุนไทยมันกำลังกำเริบกกาลังจะเกิดในจิตของเราเนี่ ย้อนปั๊บเข้ามามันทันคำว่าย้อนเข้ามาก็คือทําความรู้ให้ชัดเจนจำเพาะเข้าไปที่จิตมันพูดยากน ะ, ะแต่เราเรารู้จะใช้คําว่าอย่างไรเราใช้คำว่ า, าย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานี่คือการตั้งการตั้งใจปฏิบัติจริงจังยืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ตามต้องการให้เป็นสมาธิต้องการให้เป็นปัญญาย้อนเข้ามาที่จิตปุ๊บปั๊บทันที สงบรอยู่เฉพาะจิตไม่ให้มัน ด, ดีไม่ให้มันดิ้นไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นสมาธิยืดไปพิจรารายืดสั้นยืดยาวยืดแล้วก็ย้อนเข้ามาที่จิตยืดเข้าไปพิจรารณาแล้วก็ย้อนเข้ามาที่จิตหรือให้อยู่เฉพาะจิตไม่ต้องยืดไปนี่เป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแล้วมันยืดไป เมือ่อเราดึงไปใช้งานใช้งานนู้นใช้งานนันขยับเข้ามาที่จิตเราก็หมดจดจอดจำอยู่แค่นี้เราจะไม่สับสนไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปเคว้งคว้างไม่ต้องไปคล่องคาสงสัยอะไรทั้งนั้นแหละจับอยู่แค่นี้แหละมันทำให้เราสะดวกสบายไม่มีปัญหามากบางคนคิดนั่งปรุงนึกไปตามสัญญารม ปรุงวันทั้งวันไม่จบปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงเห็นสารพัดอะไรตัวอะไรนะแล้วก็ไม่เคยย้อนมาดูจิตบางทีย้อนมาดูโอ้ลงไปตามตันหาเพลินไม่รู้ไปกีดทวีปแล้วหละมันละเอียดนะมันมาสวมรอยเราปั๊บเดียวล่ะสวมรอยเราปั๊บเดียวแหละตันหามันมาสวมรอยเราปั๊บเดีย ว, ว, ต, ยยวตันหานี่เป็นตัวสมุทยัย การที่เรากำหนดพิจารณาเนี่ยมันเป็นการกำหนดพิจารณาทุกคำว่าทุกคำว่าทุกในทีน่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นผลสิ่งที่เป็นผลในทีน่นี้ปัญจขันธ์ของเราทั้งดุนทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวผลปัญจขันธ์ของเราทั้งหมดเป็นตัวผลตัวผลเหล่านั้นมาจากเหตุ เหตุคือสมุดไทยสมุดไทยที่เกิดของขันทั้ง5นี่มันมีอีกอันหนึ่งก็คือตัณหามันเกิดขึ้นภายในจิตนั่นแหะตัณหามันเกิดขึ้นภายในจิตหลงตาท่านนะจงให้กําหนดทุกให้กําหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยกําหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยย้อนไปที่ไหนย้อนไปที่จิตดูสมุดไทยที่จิต สมุทัยที่จิตคือคือตัณหาตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยเราย้อนไปเราจะเห็นเราย้อนไปเห็นแล้วมันจะดับย้อนไปเห็นแล้วมันจะดับถ้าเราไม่ย้อนไปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ไปเกาะมันก็ไปยึดไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันไปเกาะมันก็ไปยึดแต่ถ้าเราย้อนไปแล้วเราเห็นมันไม่เกาะเราย้อนไปแล้วเห็นมันไม่เกาะย้อนไปเห็นแล้วมันก็หลุดย้อนไปเห็นมันก็หลุด ไอ้คาว่าไม่เกาะหรือคําว่าหลุดก็หมายความว่ามันดับหรือจะว่าดับก็ได้หรือจะว่าไม่เกาะก็ได้หรือว่ามันหลุดก็ได้คือตันหามันมันไม่เกาะหรือตันหามันหลุดหรือตันหามันดับเพราะตัวสติของเรามันเด่นเรามาต่อกรกันอยู่ตรงนี้แหละย้อนเข้ามาภายในจิตเห็นตันหาดับเห็นอะไรอย่างอื่นเกิดดับทั้งวันทั้งคืนเท่าไร่ก็ตาม ถ้าเห็นตันหาดับสู้เห็นตันหาดับแวบบเดียวไม่ได้มีผลมากกว่ามีอั น, นิสงส์มากกว่าวา้าวเหมือนเทน้าจากถุงพลาสติกเนี่ยหมดทั้งถุงเนะวา้าวแวบไบปหมดเลยเบาตื่นเอาที่ลองดูลองดูเอาเอาแค่นี้ก่อน มีอะไรคุยกันก็คุยกันแล้วก็รู้สึกใจยาวมันเป็นหลักการนี่มันเป็นมันเป็นหลักการมันเป็นแนวการแต่วิธีการทำนิดเดียวแคบเดียวนิดหน่อยพูดโทพูดโทพูดโทพุโธอา้าวถามแนวปฏิบัติเขาถามว่าวิภาวตันฮากับตันฮ า, <c oughs> าวลาพิาจารณาตันฮาจะเป็นยังไงเราไม่ต้องแยก กามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแนว ป, ปฏิบัติที่แท้จริงเราไม่ต้องแยกเราดูให้เห็นความอยากกิริยาของความอยากในใจของเราเราย้อน ด, ดูไปเราจะเห็นพระพุทธเจา้าท่านแยกให้เราเข้าใจการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาท่านแยกให้เราเข้าใจเฉยๆกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหาก็คือตัวตัณหาตัวเดียวนั่นแหละท่านแยก ถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจคําว่าตัณหากรรมฐันหาเราก็รู้จักพหุฐานหาเราก็รู้จักวิพภะตันหาเราก็รู้จักวิพภะตันหาหมายความว่าความอยากความอยากปฏิเสธสิ่งที่มันมีมันเป็นเช่นอย่างร่างกายเราต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่คือมันอยากไม่แก่มันต้องเจ็บมันอยากไม่เจ็บ มันต้องตายมันอยากไม่ตายท่านเรียกว่าพี่พระว่ า, าทันหาเราไม่ต้องไปแยกเราดูให้เห็นความอยากกิริยาของความอยากในใจของเราเร า, เราดูให้เห็นแต่มันละเอียดนะละเอียดดูให้เห็นถ้าใครพยายามดูเห็นแล้วก็คุณสมบัติจะเริ่มเกิดจะเริ่มมีความละเอียดนะมันมันมันความละเอียดของของปัญญาเราพยายามสอดแทรกเข้าไปแต่ต้องอยู่ในแนวปฏิบัติ บางทีเราไม่ไม่ได้อยู่ในท่าทีปฏิบัติเดินไปนู้นไปนี่แต่เราไม่ไม่ปล่อยการที่เราไม่ปล่อยผู้รู้นี่มันยังอยู่ในท่าทีที่เราจะต้องปฏิบัติตลอดไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ในท่าเดินจงกรมอยู่ในท่านั่งเฉยๆอยู่ในท่าเดินเฉยๆแต่ไม่ไม่จ่อไม่จ่อสติสัมปชัญญะผู้รู้มาที่นี่เราจะไม่เห็นกำลัดจ่อมาเรื่อยๆเราจะเห็น บอกง่ายๆว่าไม่ต้องแยกดูให้เห็นความอยากแล้วมันจะแตกกระจายไปหมดเยากรู้ไปหมดรูปปรองไปหมดย้อนเห็นย้อนดูไปเห็นของมันมีอยู่เราย้อนดูไปเห็นคุริยาภาษาพวกนี้ที่ท่านชำระหมดแล้วท่านย้อนดูไปแล้วมันไม่เห็นกิจยาการมันหมดไปแล้วเอาอไปเถอะดาวิดเอ ข อ, อขอให้หลวงพ่ออธิบายย้อนความย้อนละเ อ, อนคำว่าย้อนมันเป็นคำพูดมันเป็นกิริยาย้อนความรู้สึกอยากอยู่ที่นุ่นย้อนมาอยู่กับผู้รู้ย้อนมาอยู่กับจิตเช่นมั น, ม, นมันนึกคิดไปตามรูปที่เห็นย้อนมาดูที่จิต มันรู้ไปตามเสียงที่ได้ยินย้อนมาดูที่จิตนี่เขา่าย้อนคือย้อนย้อนมารู้อยู่เฉพาะผู้รู้เมื่อก่อนนั้นผู้รู้มันไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ย้อนมาอยู่เฉพาะกับผู้รู้ที่นี่ไม่ต้องไปอยู่กับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นการรูกับสัมผัสเอาย้อนมาอยู่กับผู้รู้นี่เขาเรียกว่าย้อนย้อนเรามารู้จะใช้คำพูดยังไงเราไ่ใช้คำว่าย้อนย้อนความรู้สึก ย้อนเข้ามากับน้อมเข้ามาเหมือนกันน้อมเข้ามาก็ใช่เดียวกันนะน้อมเข้ามาก็ใช่ย้อนเข้ามาก็ใช่แต่คำว่าน้อมกับย้อนนี่ในแง่ของภาษาไทยก็จะแตก ต, ต่างกันอยู่แต่ก็ใช้ได้เช่นอย่างเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาข้างนอกเช่นอย่างเห็นคนเขาเก็บเขาป่วยเงี้ยแล้วก็น้อมมาโอ้ถ้าเราเก็บถ้าเราป่วยอันนี้เขาเรียกน้อมเข้ามา เห็นความไม่คงทนเห็นความไม่คงที่เห็นความเน่าเปื่อยผุพังข้างนอกก็ย้อนเข้ามาน้อมเข้ามาแต่ว่าอันนี้เราเราใช้กํากับกกับกิริยาจิตจิตมันอยู่ข้างนอกเราก็พยายามย้อนเข้ามาย้อนผู้รู้เน่ยคล้ายๆว่าคล้ายว่าผู้รู้มันพุ่งไปผู้รู้น่ยมันพุ่งไปแล้วก็เราพยายามระลึกย้อนย้อนกลับมาที่ต้นตอที่มันพุ่งไปเนี่ย ม, มันพูดยากแต <c oughs> ่เข้าใจใช่ไหมเอ า, เ, อาเป็นว่าเอาให้เข้าใจให้เข้าใจใช้ได้บมรีโมว่ า, าปฏิปัติพรหมวิหารเมตต า, เ, าเขารู้สึกว่าปฏิปัติเมตตาจะเกิดขึ้นความเห็นว่าทุกมาใช่เรื่องโดยเฉพาะตัวเองเป็นเรื่องของอ ส, สรรพสัตว์ทั้งหลาย เลยเขา้สึกว่าเมตตาก็ เ, าเป็นการปฏิบัติในอริยสัจซี่หรือาถามว่าหลว ง, งพ่อจะแนะนำหรืออธิบายหรือเห็นด้วยรือเป็นยังไงเมตตาตนเมตตาท่านมันก็ใช้ได้ถ้าเราไม่เมตตาเขาเราก็เมตตาเราเมตตาตัวเองเนี่ยในบทแพร่เมตตามันก็มีเมตตาท้านเมตตา เมตตาตัวเมตตาตนอะังสุกิตโตหมินิดุโคหโมีอะเวโรห้อมีอภยาปชโชห้อมีอนิโคโหมีมันไปจากเราซะก่อนแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนอื่นการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็คือท่านให้สงสารตัวเองสงสารตัวเองที่มานลอยคออยู่กั บ, ก, บกองทุกข์กิเลส ต, ตัณหาอาสวะ สงสารตัวเองและพยายามปฏิบัติให้เห็นสิ่งเหล่านี้และพยายามจะดับสิ่งเหล่านี้ให้เราพ้นทุกพ้นโทษไปอันนี้ก็เป็นการเมตตาตัวเองการเมตตาคนอื่นเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านพ้นไปแล้วเนี่ยถ้าก็เมตตาพวกเราท่านก็นมัาเที่ยวบอกเที่ยวสอนให้เราเอาข้อปฏิบัติมาดําเนินการและจะได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่าน จะได้ดับกิเลสตัณหาไดจ้จะได้พ้นทุกพ้นโทษไปได้มันได้ทั้งพื้นพื้นแล้วก็สูงสุดก็ได้คําว่าเมตตาเมตตาพรอมอวิหารนะี่ยเมตตามันได้หมดเรื่องของธรรมะถ้าเราเข้าใจแล้วมันกระจายทั่วถึงกันหมดไปเอาหลักปริยัติมาอธิบายไม่ได้เอาหลักปริยัติมาอธิบายตามไม่ได้แต่ถ้าเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยมัน มันตล่อมเข้าหากันหมดมันกระจายทั่วถึงเข้าใจทั่วถึงกันหมดเหมือนอย่างที่อธิบายเนี่ยในหนังสือจะหาฟังยามกันนะอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมเลวเล<ม>ข้าใจไหม <c oughs> เราสงสารตัวเราจะต้องมาทุกข์อยู่ในวัตฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย เราสงสารตัวเราเราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโให้จิตสงบแล้พิจารณาให้เห็นอันนี้จางทุกครังอหเบื่อให้หน่ายคลายจางในในภพในชาติของตัวเองการที่เราตั้งใจทํานั่นแหละเป็นมัจทําไปแล้วดับได้ตามชั้นตามภูมิเป็นนิโรธคําว่านิโรธหมายความว่าเห็นต้นตอที่เกิดของของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นตัวสมบูรทรอยพ่อเราเห็นไปปั้มก็ดับ เหมือนอย่างที่เราย้อนมาเห็นตัญหาย้อนเห็นปับนบนนป๊บมันก็ดับย้อนเห็นปั๊บมันก็ดับคําว่าดับหมายความว่านิโรธนิโรธแปล ว, ว่าความดับนี่มันเกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่ 4, ทั้งนั้นแหละอันนี้อันนี้หมายความว่ า, วานี่อันนี้อาวุธหนะักเป็นเครื่องมือใช้กับกับงานหนะักเพื่อรื้อฟื้นพบชาติของตัวเองทีนี้จะเอามาใชาพ้พื้นพื้นอ้าวธรรมะเมตตามาใชาพ้พื้นพื้น เรเราเลี้ยงสัตว์เราสงสารสัตว์เห็นเ้าหนาวก็ให้ความอุ่นเขาเห็นเขาหิวให้ความอิ่มเขาเห็นเขาเหงาให้ความสนุกสนานเขาไม่ว่าสัตว์ก็ตามไม่ว่าคนก็ตามเราเมตตาเขาจิตใจเราก็แช่มชื่นเบิกบานแต่การแผ่เมตตาที่จะให้ถึงใจถึงจิตถึงใจที่แท้จริงนั้น เช่นอย่างเขามีความทุกข์ให้เราพิจารณาใจเราไปใส่ใจเขาพิจารณาใจเขามาใส่ใจเราเรามีความสุขยังไงถ้าเขามีความสุขเขาก็จะเหมือนเราเขามีความทุกข์ยังไงถ้าเรามีความทุกข์เหมือนเขาเราก็จะเหมือนเขามันถึงจะได้ถึงใจและจะได้มีเมตตาจิตอนน่อนนิ่มมีอานิสงส์ เป็นพื้นฐานของจิตถ้าเราจะเที่ยวไปเหมือนกับเปนพื้นของจิตเนี่ยทำให้จิตดวงนั้นนะตั้งเป็นสัมมาทิฏฐิจะทําให้จิตสงบก็สงบได้ง่ายจะทําให้จิตดวงนั้นนะมีความสุขหล่อเลี้ยงชุ่มฉ่ากับความสุขจากการที่เผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็จะลดลงไปลดลงไปได้เหมือนกันความสงบ ความอ่อนนิ่มของจิตความไม่แข็งกระด้างของจิตความพร้อมที่จะจิตให้ให้จิตดังนั้นได้รับความสงบก็มีมันก็มีง่ายมันก็เป็นง่ายมีจิตเมตตามีเมตามเมตาเป็นพรหมวิหารมีเมตตาไม่มีประมาณอปปัมมัญญาอปปมัญญาไม่มีประมาณ แต่ว่าเมตตาเนี่ยมันมีอยู่อย่างนะเมตตากรุณามุทิตาเบกขานะเมตตาปรารถนาให้เขาเป็นสุขอ่ากรุณาเขามีความทุกข์อยู่แล้วหวังให้เขาพ้นจากทุกข์ความหมายใกล้ใกล้ ก, ลกลันมุทิตาเห็นเขามีความสุขเห็นเขาเพลิดเพลินยินดีสุขสบายเจริญมั่นคงแข็งแรงอะไรต่ออะไรนี่ พลอยยินดีกับเขาแล้วก็อุเบกขาวางเฉยคําว่าวางเฉยนี่มันเป็นการพิจารณาถึงกรรมไม่ใช่เฉยเฉยไม่สนใจไม่ใช่ไม่ใช่เฉยเฉยไม่ใช่ไม่สนใจคําว่าอุเบกขานี่แปลว่าพิจารณาปร o n ลงในกรรมโอ้กรรมของสัตว์กรรมสกุลมีกรรมใดยดโกรกรรมยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณาอย่างกรรมังกริสันติ หรือกฤตสามิเราก็ตามเขาก็ตามทำกรรมอย่างใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้มันเป็นการพิจารณาที่เป็นหลักวิปัสนาโดยตรงเลยหนละเรื่องของอุเบกขาเนี่ยการพิจารณาให้คนเข้าใจถึงเรื่องกรรมของสัตว์เดี๋ยวนี้มิจฉาทิฏฐินั่นแหละมันปิดบงังทาให้เราไม่เห็นกรรมไม่เชื่อกรรมคิดดูด้วยว่าบางคน เห็นว่าทําดีไม่ได้ดีเห็นยังไงเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ทีทําชั่วไม่ได้ชั่วมันก็สุ่มเดาไปงั้นแหล ะ, ะ, ะมิชาที่ถี่มันปิดบังแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องการเข้าใจเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรมมันจะยอมรับเหตุรับผลคำว่ากรรมก็คือเหตุกับผลเหตุกับผลก็คือกรรม เหตุกับผลกิริยากายกิริยาวิจากิริยายใจอย่างใดอย่างหนึ่งทําลงไปเป็นเหตุเป็นกรรมเป็นกายกรรมผลก็คือวิบากกรรมเป็นกายกรรมเป็นวิจีกรรมเป็นมโนกรรมใครทั้งใจทําลงไปกลายเป็นประทับตราลงไปที่จิตของเราสร้างลงไปแล้วรื้อฟื้นไม่ได้ ลบไม่ได้ฟื้นไม่ได้รื้อไม่ได้ต้องทำใหม่ให้มากกว่าเดิมถึงจะลบล้างสิ่งเหล่านั้นได้ถึงทำมากขณาไหนก็ตามบางทีก็ลบไม่ได้เหมือนอย่างพระมกขลานะเนี่ยท่านลบไม่ได้ท่านฆ่าแม่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเข า, วายังก็ตามมาฆ่าอยู่ไหมแต่ร่างกายนั่นน่ะมันเป็นวิบากกรรมเป็นผลิตผลของกรรมเก่าแต่กรรมใหม่ของท่านเนี่พ้นไปแล้ว กรรมใหม่ทำให้จิตของท่านพ้นไปแล้วเรื่องของกรรมจรึงเป็นเรื่องที่ที่เป็นเหตุทำให้ค น, นสางจากเมาเมาในมิจฉาทิฐิมีความสงคัญมากเอาอีกหนึ่งสองปัญหาก็พอละมั้งดึกแล้วนะข อ, อ, ะ ข, อขอแพลนอะไรก่อนเขียนไปทั้ง เอากระดาษใหญ่ๆมาให้เนะเป็โมเป็นไงคอนเดฟคอนเดฟซอดฟซอดฟเลโมแปลพระไตรปิฎกไม่ใช่บรรดาพิมพ์ระไตรปิฎกเนี่พิมพระไตรปิฎกต้องพยายามเข้าใจทำความเข้าใจนะพระไตรปิฎกเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวกลายเป็นตะพีแช่อยู่ในแกงนะมันพิมพ์เป็นอย่างหนึ่งในการปฏิบัติสําคัญมากกว่าใช่โอกาสที่เราได้ยินได้ฟังแบบนี้ มันเกื้อกูลกับชีวิตของเราฟังเข้าใจเกื้อกูลเข้าใจไหมเขเข้าใจหเกื้อกูลเข้าใจท่านเข้าใจไหมเกื้อกูลเกื้อกูลคาว่าคาว่าเกื้อกูลหเอนมอหนุนก็ได้เกื้อกูลเกื้อกูลอุปถัมภ์มรุงอันง เฟสตนะ์แ <c oughs> อคคุงเายกตัวอย่างเหมือนอาหารเกื้อกูลกับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเรียกเกื้อกูลธรรมหรือบำรุงหรือกเกื้อกูลโอเคส น, น <c oughs> ัสนุนสตุ๊ดสตุ๊เซอภาษาที่ก็ลําบากนะการที่เรามาเกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมแบบนี้มันเกื้อกูลเกื้อกูลกับชีวิตกับจิตใจยอย่าลืมว่าชีวิตกับจิตใจของเราเนี่ยมันต้องไปได้วยกัน ชีวิตของเราจะดีจิตใจของเราต้องดีถ้าจิตใจเราไม่ดีชีวิตของเราก็จะไม่ดีจิตใจเราจะดีจิตใจเราจะต้องมาศึกษาเรื่องหลักของศีลของธรรมหลักของเหตุของผลหรือหลักของกรรมหรือหลักประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนร ธ, รธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเอาแต่เรื่องจริงมาสอนพวกเรา ในเรื่องของจริงที่เป็นสัจจะทั้งนั้นมาสอนเราไม่มีไม่มีบังคับให้เราเชื่อแม้แต่คําสอนของพระองค์ทั้งหมดแปดหมสี่พันพระธรรมคัมนต์ไม่มีบังคับให้เราเชื่อให้เราไปพิสูจน์ไม่ต้องเชื่อเราบอกไม่ต้องเชื่อไปพิสูจน์อ <S <S ย้งนิทานมารประกอบโทธยพรามณ์น่ะเป็นเศรษฐี ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพุทธเจ้าบินทบาติผ่านหน้าบ้านด่าทุกวันไม่ใส่บานแลกได้เป็นเสียถีแปดสิบโกดมีรับแปดสิบโกดธฝังไว้หลังบ้านอยู่มาอยู่มาตายตายเสียจแล้วด้วยความหวงสมบัติแล้วนั้นน่ะไปฝังไม่มีใครรู้น่ะสมบัติแปดสิบโกดธด้วยด้วยความหวงสมบัติ่ะมาเกิดเป็นเป็นสุนะัขเป็นลูกหมาโทนอยู่ในบ้านนั้นน่ะ <c oughs> อ่า มาเกิดเป็นสุนัข ใ, ในบ้านหลังนั้นแหละทีนี้โททยะมานกนะที่เป็นลูกชายก็ดูแลต่อพอลูกหมาตัวนี้เริ่มโตขึ้นมาเนะีนะ่ยคือลูกหมาที่ไปจากไอ้โททยพรามเนะี่ยตายไปแล้วไปเป็นสุนัขเนะี่ยพอเริ่มโตขึ้นมารู้จักวิ่งรู้จักอะไรตัอไรพรพุทธเจ้าท่านก็บินตบากผ่านประวัติตายปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พุทธเจ้าไปบินตบาก็ไปหาวไปหอนพระองคเหมือนเดิม มียวันหนึ่งพระองค์ก็เลยแย้มพระโอษฐ์แล้วก็พูดกับพระอาหนนอ่ะเปรย ๆ, ๆพระอาหนก็ได้ยินโอ้โทศทิยพรามณ์สมัยมีชีวิตอยู่ไม่เคยใสายบาให้เราดา่าเราตายแล้วมาเป็นสุ น, นัขยังมาห่าหอนเราเหมือนเดิมไอตอนนั้นคนใช้เขาวิ่งไปกําลังจะวิ่งไปจับลูกหมาเขาได้ยินลูกหมาตัวนี้มันจําชาติได้เนี่ยว่ามันเคยเป็นททิยพราหมณพอพระเจ้าตรัสอย่างนั้นหูตกเลย เสียใจน้อยใจเสียใจเป็นไข้ป่วยตั้งแต่วันนั้นเลยลูกชายโทศยมานกนี่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ลูกสนักตัวนี้ทําไมป่วยไขย้เป็นอะไรไม่สบายเพราะอะไรเนี่ยคนใช้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งพระโคดมพระโค ด, ดมมาบินฑ บ, บาลดูสนักไปเห่าพระโคดมท่านก็เลยตรัสว่าโอ้โทศยพราหมณ์สมัยมีชีวิตอยู่ไม่เคยใส่บาให้เรา ตายแล้วมาเป็นหมายังมาหาเราเหมือนเดิมพอเล่ายังให้ลูกชายฝังลูกชายเครียดมากหาว่าพระโคดมเนี่ยดูถูกพ่อของตัวเองมันตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมาเรี่วไปที่วัดจะไปไปต่อว่าพุทธเจ้าว่าจะไปต่อว่าพุทธเจ้าเธออย่าเพิ่งเชื่อเราไอ้ที่เราพูดอย่างนั้นอย่าเชื่อเราให้ทําตามเราให้ทําอย่างนี้ก็แล้วกันนะกลับไปอย่างนี้เนี่ยเอาสุนัข เอาลูกสุนัขตัวนี้ไปอาบน้ําสะขนให้อย่างดีเช็ดตัวให้ดีแล้วก็ให้วางให้เ้านอนในที่นิ่มๆฉันเดียว ด, ดูเขากําลังนอนเคลิมคล้มๆใกล้จะหลับให้ไปกระซิปที่หูพ่อพ่อพซับแปดสิบโกดธฝังไว้ที่ไหนซับแปดสิบโกรธฝังไว้ที่ไหนถ้าเป็นโทศยพระมจะลุกปุ๊บป้าววิ่งไปข้างหลังบ้านแบบจอบตามวิ่งตามไปเลยอย่างั้นพุทธญาแนะนําเด้ ก็ไปทําตามก็เป็นอย่างนั้นจริงหมดอ่ะไปกระซิบลุกปุป๊บ ป, ปไปล้างบ้านไปกุยไปขุดเห็นสมบัติแปดสิบโกรดน่าเห็นไหมไม่ต้องเชื่อแต่ให้ทําตามพัาจะทตามแล้วไม่ต้องมีไม่ต้องมีคำตอบแหละคำตอบอยู่ในนั้นหมดธรรมะแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าเอาข้อเท็จจริงมาพูดให้พวกเราฟังเท่านั้นไม่มีบังคับให้เราเชื่อ บอกให้เราเชื่ออย่างเดียวว่าให้เชื่อว่าตถาคตโพธิสัต t h เชื่อว่าตถาคตเนี่เป็นผู้บรรลุธรรมให้เชื่อว่าให้เชื่อว่าให้เชื่อว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมบอกให้เราเชื่อให้มีความเชื่อว่าตถาคตบรรลุธรรมเพราะเหตุใดเพราะว่า มีคนข้องใจสงสัยอยากถามไปถามพระองค์พระองค์สามารถตอบได้หมดตอบงั้นตอบงานตอบงั้นตอบงานตอบงั้นตอบง้นตอบงานแต่มันเป็นคำการท้าทายและมันเป็นเป็นของจริงประกอบนอกจากนั้นเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องอะไรแต่อะไรไม่ให้เชื่อให้ไปทําตามแม้แต่ข้อปฏิบัติไปดูในกาลามาสูตรน่ะสิบสิบอย่างน่ะไม่เชื่อสักอย่างให้ไปทําดูก่อน ไปพิสูจน์ดูก่อนไปทําดูก่อนพิสูจน์ดูก่อนนี่กาลามาสูตรจึงเป็นสูตรท้าทายให้เราไปปฏิบัติไม่เชื่อไม่บังคับให้เชื่อใครพูดยังไงก็ตามไม่ต้องเชื่อเพราะสมัยนั้นมีเจ้าละทิหลายละทิมีคนไปถามมางั้นงั้นงั้นงั้นงั้นงั้นจะเชื่อยังไงไม่รู้จะถือปฏิบัติตามของใครของใครพระองค์ก็เลยตัดกาลามาสูตรเนี่ยไม่ต้องเชื่อว่าคนนั้นเป็นครูคนนั้นเป็นอาจารย์ คนนั้นมีความคิดเหมือนกับเราคนนั้นเคยได้ยินได้ฟังต่อๆกันมาอะไรต่ออะไรเนี่ยท่าให้เชื่อคําว่าไม่ให้เชื่อไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้เราเฉยให้เราไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนมีเหตุมีผลลองเหตุลองผลยังไงให้ถือปฏิบัติตามนั้นนี่กาลามัสูตรนะท้าให้เราไปปฏิบัติไม่ใชใ่เรียนเฉย วันนี้อธิบายอันนี้จบก็จบแล้วมากดึกแล้วจบเนาะให้พรให้พรให้พอนไะครับผมให้พอรอนคนเดียวนะครับนี่มึงครับให้พรนับให้พอรนรับพรอน ติชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยธาสภีติยวิวัดชันตุสภโรโควินั ส, สตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภ ะ, ะอภิวาธนาสิฤสริจัง มุทภาพิจายโนจตารโอธรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพล네ังภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสเปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสถีปวันตุเตภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสพปเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสตาโสถีปวันตุเตภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสพปเทวตา สัพปสังคานณภาเวณสทาโสดถีภาวันตุเตสัสดีอ้าไปจัดรัดไปภาวนานะ